วิญญาณวิญญาณก็คื อ, อขันห้าขันที่เป็นอาการของจิตวิญญาณเป็นผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายพอเข้าไปที่วิญญาณแล้ววิญญาณก็ส่งไปให้ที่สัญญาสัญญา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 ความคิดปรุมแต่งถ้าคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นม า, าคิดว่าของดีอยากได้อยากให้อยู่กับเราเป็นนานพอไม่ได้ก็เสียใจหรือพอได้มาแล้วพอเขาจากเราไปก็เสียใจเช่นเดียวกับสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ชอบพอเห็นแล้วรับรู้แล้ว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 ปัญญาไปสัมผัสรับรู้เป็นทุกเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอันนี้คือการแก้ความหลงแก้ความลักแก้ความชังแก้ความกลัวสัญญาของเราตอนนี้มันเป็นสัญญาของอวิชฌะโมห์คือเห็นผิดเป็นชอบจำผิดจำ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 เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษัตัิย์ความจริงสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เป็นก็คือเป็นเพียงบินน้ำลมไฟ mm hmm. เกิดแก่เจ็บตายอาการ32 mm hmm. ผมขนเล็บฟันหนัง mm hmm. เนื้อเอ็นกระดูก เพื่อในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเพื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันค้นน้ำตานเนมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกนี่คืออาการสาสองส่วนที่แข็งก็เป็นธาตุดินส่วนที่เหลวก็เป็นธาตุน้ำ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 เพียงแต่ว่าต้องมีผู้ที่สอนที่มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้พระอาหารหันต์บางลูกท่านก็มีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้บางลูกก็ไม่สามารถติดต่อได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละท่าน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 เป็นต้นไม้บางต้ น, นมีน้ำมีอะไรมีเปลือกดูน่าเกลียด น, น่ากลัวจะตายไปแต่ทำไงเรากลับไม่เห็นว่าน่าเกลียด น, น่ากลัวแต่ถ้าเป็นหนังของคนเป็นหนังแบบนั้นก็จะเกิดความขยะขยแยงขึ้นมาเราใช้การเปรียบเทียบดูได้ทำให้เราดูแล้วไม่ไม่ชังได้ดูแล้วเฉยเฉยได้ดูแล้วไม่รักได้ ส่วความกลัวก็ดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราไม่กลัวหรอกร่างกายของคนอื่นจะเป็นจะตายอย่างไงเราไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองนี่คือการมาแก้ปัญหาคือความรับชังความหลงความกลัว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 เริ่มต้นก็จะเจริญเช่นเวลาคลอดออกมาจากคันร่างกายก็จะมีแต่เจริญจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนเติบโตเต็มที่แล้วทีนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วเริ่มนับถอยหลังได้แล้วถ้าเป็นวันสิ้นปีก็เขาเรียกว่าข้าวดาวได้แล้วพออายุย่างเข้าไปห้าสิบหกสิบทีนี้ก็เริ่มนับถอยหลังได้แล้ว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 อดตายในป่าก็ได้ถ้าไม่มีอะไรจะกินมันจะตายก็ใช้ระบบไล้สายไปไล่ระบบใช้ระบบไล้ร่างกายไปเราใช้ได้สองระบบไปกลัวทําไมมีทั้งมือถือมีทั้งโทรศัพท์บ้านนี้โทรศัพท์บ้านใช้ไม่ได้ก็ใช้มือถือได้จะแม้ทุกวันนี้เราวุ่นวายกับโทรศัพท์บ้านกันไหเมื่อก่อนนี้วุ่นวายกันจนเกินโทรศัพท์เสียทิ้งสายขาดต้องไปตามช่างมาต่อ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 พอรถวิ่งแนละ้วถึงจ ะ, ะควบคุมบังคับให้รถวิ่งไปในทางที่ตนต้องการได้เวลาใจสงบความรักความชางังความกลัวความหลงก็จะหายไปชั่วคราวพอใจออกจากความสงบออกจากสมาธิก็เริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มรับรู้สัญญาต่างๆวิญญาเริ่มรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพสัญญาก็เริ่มทำงาน ว่าเป็นรูปที่น่ารักหรือน่าชังน่ากลัวหรือน่าหลงพ อ, อกเกิดสัญญาขึ้นมาก็เกิดสังขารความคิดซุ่มแต่งก็คิดไปในทางอยากไม่ถ้าไม่อยากก็ถ้าไม่เป็นภาวะตัณหาก็เป็นวิภาวะตัณหาถ้าไม่เป็นวิภาวะตัณหาก็เป็นกามตัณหามันก็จะคิดอยู่ในวงของตัณหาทั้งสามนี้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 สังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่ปรุงไปในทางการมตัตหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาใจก็สงบไม่วุ่นวายนี่สงบอย่างท้าวอนเพราะความรักความชางังความกลัวความหลงนี้จะถูกความจริงทำลายไปหมดถูกความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานนี้ทำลายไปหมด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 แล้วต่อมาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการสูญเสียไม่คุ้มค่ากับความสุขที่ได้มาแต่ความสุขที่เราได้ทางใจนี้ไม่มีความทุกข์แถมมาด้วยเป็นความสุขลน้นลวนสุขสองด้านเลยด้านหัวก็สุขด้านก้อยก็สุขอันนี้แล้ว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 ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างมากก็ได้รับความร่มเย็นจากพระพุทธศาสนาได้กินข้าวก้นบาตพวกนกพวกอะไรก็อาศัยศาสนาเวลาพระล้างบาสนี่พระเทเ้าวทิ้งเดี๋ยวนกก็มากินกันเดี๋ยวสุนัข ก, ก็มากินกันเดี๋ยวแมวก็มากินกันนี่เป็นประโยชน์ที่เดรัานจะได้รับจากพระศาสนา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 ไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ที่พระอาหารหันตสาวุท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านชี้บอกทางให้แก่พวกเราแล้วอยู่ที่พวกเราจะมีความกล้าหาญที่จะสลับความสุขที่เป็นความทุกข์เสียมากกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือยังติดอยู่กับลาบเล็ดสรรเสริญยังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาอยู่ถ้ายังติดอยู่ ก็จะไม่สามารถได้ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้จะเอาทั้งความสุขทางราบยศรสะะเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะเอาความสุขที่เกิดจากการภาวนาทาใจให้สงบไม่ได้มันเป็นคนละทางกันหืังกลับมาถึงสียยากแล้ว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 ต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องจเจริญในขัมมะบารมีต้องออกจากกามาสุขเช่นพวกที่มาถือศีลแปนุ่งขาว<ม>ห่มขาวอยู่วันนี้<ม>ก็เป็นพวกที่กำลังจะเดินตรงไปสู่พระนิพพาน ถือศีลแปดแล้วก็เปกิเว่อยู่ตามสถานที่สงบสงัดเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่ยเปื่อยไม่ให้คิดถึงเรื่องน้้าเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ลบความคิดออกไปให้หมดลบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้ใจว่างหรือจะลบด้วยการจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้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 พอใจมีความสงบแล้วก็จะมีความสุขที่ทําให้การสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายนี้คุ้มค่าห า, ห, หายเหนื่อยหายเหนื่อยหายหิวหายหิวกับรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพังพอใจสงบย้าทีนี้ไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นลดผดสะพังแล้วถ้ามีเกเรมาเวลาออกจากสมาธิมาถ้ามีกิเลรมาชวนให้ไปหารูปเสียงกลิ่นลด ก็ใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าอย่ากลับไปหาความทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดคนที่ไม่เสพเนี่ยสบายกว่าคนที่เสพคนที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่สบายกว่าคนที่เสพนั้นอย่ากลับไปอยู่กับความสงบนี้ดีกว่าคราวนี้เราก็หยุดความอยากได้ตัดความอยากต่างๆไปจนหมดได้เลยนี่แหละคือทางที่จะไปสู่พานิพาน ต้องเป็นนักบวชถ้าจะไปสวรรค์ก็เป็นนักบุญไปก่อนําบุญให้ทานไปทอดผ้าป่าไปทอดกรถินไปวางศิาลาฤกษ์เมื่อวานนี้ก็ไปวางศิาลาฤกษ์สร้างเจดีย์กันอีกแล้วในรุ้จะสร้างกันไปสักกี่หลังกันกี่องค์กันทําไมไม่สร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาสร้างพระาอารหรันต์ขึ้นมามีแต่เจดีย์แล้วไม่มีพระาอารหันต์แล้วยาก็อยู่ไปพระอารหันไปไว้เที่ย จะไปเอาก็หากระดูกป้าหลานไปใส่เจดีย์ได้ยังไงก็มีแต่พระธานมาจากไหนก็ไม่รู้ปาฏิหารินั่นนั่นเลยได้มีมีได้มาองค์นึงแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาเป็นสิ่เนียมากันเยอะแยะเลยกันพระธานเนี่ยไม่รู้มาจากไหนกันบ้างหาป้าหลานไม่ได้เลยมีแต่พระธาตุนเนี่ย ก็เพราะว่าชอบเป็นนักบุญกันไม่ชอบเป็นนักบวช่ันถ้าเป็นนักบวชแล้วจะมีจะมีผ้าหารล้นหลามกระดูกพ้าหันจะไม่รู้จะหาเจดีย์ที่ไหนไปบรรจุเพราะไม่มีนักบุญที่จะมาสร้างเจดีย์ให้บรรจุกันถ้านักบุญกลายเป็นนักบวชได้หมดนี่มันนักบวชแล้วกลายเป็นนักบุญไปหมดมันเ ม, ม, ม, มีเตเจดีย์เต็มไปหมดเลย แต่าการะดูป้าแลหันพระธาตุป้ามันมบรรจุไม่ได้กันนะทำไต้องอพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาโดยปาฏิหารดดดีดีก็เสด็จลงมาไม่รู้มาจากไหนกันเป็นใบโมโพระธาตุท่านทําอะไรให้เราได้ ท, ท่านสอนธรรมะให้เราได้หรือเปล่าสอนให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้ให้ได้หรือเปล่าทํำไมไม่คิดกันบ้างพระธาตุมีไว้ทําไม พระธาท่านเทศให้เราฟังได้หรือเปล่าว่าเออทาอย่างนี้ทำอย่างนี้นะแล้วจะได้บรรลุมรรคผลนม่พ่านนะไม่ได้หรอกพระธานี้เหมาะกับคนที่ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนายังไม่รู้จักพระธรรมคาสอนยังไม่รู้แหล่งที่จะหาพระธรรมคำสอนว่าอยู่ที่ไหนพอเห็นธาตุก็เป็นเหมือนกับเห็นป้ายบอกทางเท่านั้นเอง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 ทำบุญกันอยู่นั่นไม่ยอมเข้าห้องสมุดพอเดินถึงห้องสมุดก็เดินเลยไปที่เจดีเลย <c oughs> เราเนะ่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องเจริญก้าวหน้านะต้องทําความเข้าใจว่าอยากนักบุญต่อไปเราจะต้องเป็นนักบวชกันแล้วนะ <c oughs> ถ้ายังเป็นนักบุญกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้ เอาแล้วนะขอพาก่อนวันนี้เอาคนเดียว <S <S อ่ะจะเป็นน้าบวัวใช่ไหอ่ันนี้ไปถ้าใจวางศิลาร์เล่อเขาเหงื่ามาจันเขาจะตั้งใจเดียว ่ถ้าสาร้างเจดีบนเขานี้คงจะเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาไม่ใช่ใหญ่เพราะคนจะมาร่วมสร้างนะเพราะเขาจะไม่ให้สร้างเป็นที่ของป่าไมา้หรอรับรองเขาไม่สร้างเราดีเกลเลยมันมาล่อใจเราไม่ได้เพราะมันอยู่ในที่ที่สร้างไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็มีข้อแก้ตัวด้วยาคนที่ไม่ชอบก่อสร้างอยู่บนนี้ดีเพราะเขาห้ามไม่ให้สร้างสร้างนี่ยังต้องแอบสร้างยนี้สร้างแกนี้ยังต้องแอบสร้างสร้างพอล้วได้ได้เจ็ดหลังด้วยกัน ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนี่ยยังขาดยังไม่ได้ทาทาน้ำมันยังไม่เรียบร้อยแต่ก็เสร็จเก้าสิบกว่าเปอร็นต์การก่อสร้างไม่ดีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันทำลายความสงบได้ไม่คุ้มเสียผู้ที่ต้องการความสงบก็ต้อง ตลแต่ปลางไปที่ที่สงบภาวนาไม่ได้ไม่วิเวกไม่สงบสงบัดเอาว่ามาคี่ยมมีข้อสงสัยตรงนี้นะคะเมื่อกี้อย่างที่ท่านาอาจารย์ว่าคือเรามู่ที่จะตรงไปสู่พระนิพานนะคะแล้วเรามีภาระั็ตัวอย่างสมมติว่าครอบครัวหนึ่งนะคะมีลูกคนเดียวและแม่เขาเกิด ป่วยแบบป่วยโดยที่ต้องอาศัยเขาละค่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะไปในทางไปสู่นิพานแล้วถ้าเกิดว่าเขาทอดทิ้งภาระตัวนี้นไปมันจะไม่กลายเป็นความอัตตันยูค่ะมันจะว่าอกตันยูก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าเราทําอะไรไม่ได้อยู่ไปก็ตายเหมือนกัน แล้วใครจะดูแลแม่เขถ้าเราตายในวันนี้แล้วใครจะดูแลเขาครแค่ <c oughs> นี้ในในกรณีอย่างนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วอดเวลาที่เราสอนนักเรียนนอะนะคะ <c oughs> เราก็จะต้องบอกว่า <c oughs> คือตัวเราเองหรือแม้กระทั่งกับทุกคนน่ะน <c oughs> เราก็ต้องสอนวนะ่า <c oughs> เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วถ้าเราไปนะคะ คือี่่ไมมมใครดูแลแลเลยคือเราถามคำถามที่มันมีคำตอบที่ต่างระดับกันเข้าใจครับคือเราถามคำถามจากระดับของคนที่ยังมีความหลงอยู่ยังหลงในสมมุติในยังหลงในพ่อในแม่ในพี่ในน้องอยู่ถ้าเรายังมีความหลงอยู่กับโลกสมมุติเราก็ต้องปฏิบัติกับโลกสมมุติให้เหมาะสมกัน ผู้มีพระคุณกับเราเราก็ต้องทดแทนตอบแทนบุญคุณเป็นธรรมดาถ้าไม่ทดแทนตอบแทนบุญคุณแล้วก็ปล่อยปากละเลยตัวเองก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่างนี้เรียกว่ า, ากตัญญูเช่นไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่เลี้ยงดูตัวเองอย่างดีมีบ้านใหญ่โตแต่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ในกรอบอย่างอ้อย่างนี้เรียกว่ า, ากตัญญูแต่ถ้า ไปออกบวชเพื่อที่จะไปแสวงหาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ลำบากกับพ่อกับแม่อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการกรตันอยู่เป็นการไปทำภารกิจของของตนทุกคนที่ต้องทำกันโดยเฉพาะโอกาสที่ได้มาพบกัพบพระพุทธศาสนานี้เป็นโอกาสที่หายากมากแต่ก็ต้องพูดจากระดับของผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่ทำอย่างนี้ได้เขาก็ต้องเห็นว่าพ่อแม่ก็เป็นเพียงดินน้ำฝนใส่ดูแลหรือไม่ดูแลก็ต้องตายเหมือนกันเหมือนคนระดับกันถึงพูดกันไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมคน ก, ก็หาว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวกันแต่เห็นแก่ตัวทำไมไม่ทำแบบพระพุทธเจ้ามาพวกที่ไปว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวใช่ไห คนมันอยู่ต่างระดับกันพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่ได้ถ้า พ, พูดระดับสมมุติมันก็ต้องถ้าตอนเองไม่ไปบวชแล้วตอนเองหาความสุขกับราบยศสรรเสริญแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่อยู่แบบอดอยากขาดแคลนอันนี้นหะอาคตันอยู่แต่ถ้าตอนเองไปปฏิบัติไปบวชแล้วไปดุดพ้นนี่อันนี้เหมือนคนร ะ, ระดับกันแล้ว ใ, ใช้เรื่องเดียวกันมาพูดใช้มาตรฐานมาวัดกันอันเดียวกันไม่ได้คนระับเพราะท่านไม่ได้ไปหาหาหาความสุขทางราบยกสวัสดิ์ท่านไปหาการวิธีรักษาโรคใจของท่านท่านเป็นเหมือนคนไข้ท่านไม่สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ตอนนี้เพราะจิตใจท่านมันทุกข์มากท่านต้องออกไปรักษาจิตใจของท่านก่อน พรรักษาจิตใจของท่านหายแล้วท่านก็กลับมารักษาจิตใจของคนอื่นได้พระพุทธเจ้าพอตัด้แล้วก็กลับมารักษาจิตใจของคนอื่นให้หายจากความทุกข์ได้นั้นการออกบวชนี้เป็นเหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลจะว่าอากอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้แหละเกิดโยมไม่สบายโยมต้องเข้าโรงพยาบาลนี้จะไปดูแลพอ่อดูแลแม่ได้อย่าง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 อันนี้ในทางที่เป็นไปได้นะคะคือในแล้วพูดถึงในทางโลกกับในทางที่ทางธรรมนะคะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้โยมจะได้ว่าเวลาที่เราสอนนักเรียนนะคะก mm hmm. ็าจะได้ชี้ให้เขาได้ถูกทาง mm hmm. เพราะว่ายมก็คิดถึงในแง่ที่ว่าในสังคมนะคะในสังคมที่ว่าเอาเผือถ้าหากว่าที่บ้านเขาไม่มีใครเลย mm hmm. แล้วก็มีลูกคนเดียวแลวแม่ป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรแบบนี้เลยค่ะโยมก็คิดมองโยมคิดมองในแง่นี้ว่าแล้วถ้าเกิดแบบเขาเนี่ยอยากจะไปบวชเดี๋ยวแล้วเขาจะทอดทานะแม่เขาไว้ยังไงนะฮะโยมโยมคิดในแง่นี้นะคะแล้วเวลาเราอย่าเสวทายกตัวอย่างอันนี้ให้นักเรียนฟังเราก็จะได้ชี้ให้เขาได้ถูกทางหรือตอบคําถามเขาได้ว่าให้เขามองอย่างไรนะคะก็อสอนไปในระดับของ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 แต่เขาจะเอาหรือไม่เอาไปไ ป, ไปบังคับเขาไม่ได้หอกนะก็สอนก็บอกให้มีความกระตัอยู อ, อยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ไปสอนได้ไม่วลาอะไรไม่เป็นไม่ขัดกันแต่ใจของผู้ปฏิบัติแต่ละคนเขาจะรู้เองถ้าเขาจะไปก็ช้างก็ฉุดไม่อยู่อย่างที่มีลูกเศรษฐีที่อยากจะบวชพ่อแม่ก็ไม่ให้บวชก็เลยอดข้าว ไม่ยอมกินข้าววนที่สุดพ่อแม่ก็ต้องให้ไปให้บวชงนั้นธรรมะมันมีหลายขัานหลายหลายระดับจะเอามาใช้ปนกันไม่ได้ระดับของโยมโยมก็สอนใบก็ถูกแล้วสอนให้มีความกระตันยูสอนให้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีพระคุณแต่ที่นี้อยู่ที่ใจของ ของเขาอ่ะเขาขอไปนะจะเป็น ใ, ใจของเขาอยู่ในระดับไหนเขาเป็นบัวระดับไหนถ้าเขาเป็นบัวระดับพ้นน้ำแล้วเนี่ยมันจะต้องบานอย่างเดียวจะไปห้ามบัวไม่ให้บานไม่ได้ถ้าใจเขาพร้อมที่จะเขาเขาที่จะหลุดพ้นเนี่ยเขาจะพ้อนก็ต้องไปตามตามบาละ เราไม่ใช่มีหน้าที่ที่ไปไปสอนเขาอย่างนั้นแต่เขาจะไปของเขาเองเรามีหน้าที่สอนตามความรู้ในระดับของเราเราก็สอนไปสอนให้มีความประจัญยูการเวทีสอนให้ดูแลพ่อให้ใหแม่ให้มีความเคารพอันนี้สอนไปก็ไม่เสียหายตรงไหนไม่ขัดกันเดี๋ยวสําหรับคนที่เขาจะไปนี้เขาก็มีเหตุผลของเขา ใจของเขามันไม่ได้เป็นเหมือนใจของเราแล้วใจเขาอยู่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเขาเห็นความจริงที่เรามองไม่เห็นเขาเห็นใจรักเขาเห็นอนิจจังทุกขมมังอนัตตาก็ <S <S ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าขัดกค<ร><ะ>นีนี่สอนก็ไม่ได้สอนให้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีความกระตัอนอยู่สอนให้มีความกระตันอยู่ แต่ก็นั แ, แต่สถานภาพของแต่ละคนว่าจะทำอะไรได้อย่างไรหรือไม่ก็เพียงแต่ดีบอกว่าทางที่ไปนี่มันดีกว่าทางที่อยู่กันแ่นั้นเองแล้วก็ค่อยไปวิธีที่จะไปน็ทำได้หลไหหหลา ย, หลา ย, ห, ลายหลายวิธีด้วยกัน นี่กลัวว่าบางทีก็จะใช้อารมณ์ทํากันเท่านั้นเวลาอยากจะไปก็หรือเ ว, เวลาเบื่อกับสิ่งที่อยู่ก็หาเหตุที่จะไปแต่นควาจริงไม่ได้อยากไปเพราะอยากจะไปแต่ที่ไปเพราะอยากจะหนีภาระรับผิดชอบไปก็ได้อย่างนี้ก็ก็จะเป็นเป็นติเล่ การบวช น, นี้ก็ต้องได้รับการรับอนุ ญ, ญาตจากพ่อจากแม่ก่อนแล้ว่านนี้นี้ก็ต้องปลดหนี้ให้หมดก่อนแมืแ่ก่อนถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากพระเจ้าแผ่นดินก่อนคือต้องต้องหมดภาระหมดความผูกความรับผิดชอบต่างๆก่อนเป็นอิสระภาพก่อนถึงจะไปบวชได้ พอทางศาสนาก็ไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาจองเตยว่ายุยงส่งเสริมให้คนทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้ายังมีความภาระความรับผิดชอบกับพ่อแม่พ่อแ ม, แม่แม่อนุ ญ, ญาตให้บวช ก, ก็ก็บวชไปได้แต่ถ้ามีอุบายสามารถทำให้พ่อแม่อนุ ญ, ญาตได้ก็ก็บวชได้ ที่พเนี่ยอาจจะพูดในทางขั้นเกี่ยวกับการปล่อยวางก็เลอาจจะฟังแล้วมันอาจจะขัดกับทางที่สอนให้มีความรับผิดชอบดูแลกันช่วยเหลือกันเหมือนก็พูดยากเพราะว่าถ้าคอยมาดูแลคอยช่วยเหลือกันก็อาจจะทําให้ไม่พึ่งตนเองกันแต่ถ้าบอกให้ ให้พึ่งตนเองก็อาจจะเกิดความไร้ความเมตตาต่อกันบางคนต่างดูแลตัวเองก็เลยไม่สนใจแสงกับการดูแลคน อ, อื่นความจริงมันก็ต้องผสมประสานกาันตามเหตุการณ์เหตุการปกติก็ใครช่วยตัวเองได้ก็ช่วยกันไปตัวเองไปอยากไปหวังพึ่นคนอื่นแต่ถ้าอยู่ในวาระพิเศษเช่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้ อย น, นี้ผู้อื่นก็ควรที่จะให้ความเมตตาในการช่วยเหลือดูแลคนฟังเฉะนั้นถ้าเด็กๆฟังทำนี้บางทีก็อาจจะสับสนดังว่าทำก็สอนให้ตนเป็นที่พึ่งของต น, นขณะเดียวกัก็สอนให้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้มันก็ต้องมีการขยายความว่าทํำยังไงถึงจะเรียกว่า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 ล้างชามก็ล้งหนึ่งเป็นซักเสื้อผ้าก็ซักหนึ่กเป็นฝาม่านถูบ้านก็ฝ่าไม่เป็ น, บบ น, น, ปนอันนี้ก็แทนที่จะว่าเรียงให้เขาเป็นคนดูจะกลับทำเรียงให้เขาเป็นคนไม่ดูจะเมตตามากเกินไปก็ไม่ดีให้พึ่งตนเองมากเกินไปก็ไม่ดีจะกลายเป็นคนแบบที่ไร่ไร่ไจิตใจไร่ยําใจ คือว่าทุกคนต้องขึ้นตอนเองแลก็ต้องใช้ใช้ปัญญาแยากแยะดูว่าควรไม่ควรอ ย, าอยา่างไรมีอะไรค้าไม่มีแล้วขอพายด้วยนะ พอดีมร่างกายมันบอกว่ามันจะจะพยศ <c oughs> มันต้องการให้ให้เปลี่ยนอิริยาบถให้เลือดลมมันไหลหน่อยตอนนี้ใคร ย, ยังช่วยนะใชคมทางจากเหมือนกัน่มนี้ก็มีสื่อที่เราสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายได้รวดเร็ว ก็จะให้พอนะนะยถาวาริวาปุระปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินัเปตานังอุปกปฏิอิชิตัปฏิตังตุมหัคิปเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกาปายันทปนระโสยะถามณีโติ กระสุยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพรูโควินาศตุมาเตปวัตวันตารายสุขีทีคายุโกภวะาะภิวาธนศีริศานิจังวุทธาปจายโนยะตาโรธมรมวาทานติอายุวโนสุขางพาลัง